เมื่อหลายร้อยปีก่อนนะบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีฝรั่งอยู่เลยนะมันมีแต่ชนพื้นเมืองที่เราเรียกว่าอินเดียนแดงเ็าก็อยู่กันมานานนะหลายพันปีอาจจะนายกว่านั้นเป็นหมื่นปีก็ได้นะจกนกระทั่งเมื่อ400ปีที่แล้วนี่ก็มีฝรั่งอพยพมาจากยุโรปจากอังกฤษบ้างจากฮอลแลนด์บ้าง มาที่ทวีอเมริกาเหนือนะงที่เป็นที่ตั้งของอเมริกาสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันฝรั่งเรล่านี้เนี่ยพอเจอคนพื้นเมืองนะหรืออินเดียนแดงเนี่ยก็รู้สึกรังเกียจนะดูถูกหาว่าเป็นผู้ออกป่าเถื่อนเพราะว่าความรู้วิทยาการต่างๆก็สู้ของยุโรปไม่ได้ พวกคนอินเดียแดงนี่ก็แต่งกายก็ดูเหมือนคนป่าจริงๆนะไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่ที่อย่างรัดกุมเหมือนกับฝรั่งแต่ว่าเมื่อพูดถึงสุขภาพอนามัยนี่คนอินเดียแดงนี่เนื้อไวาเยอะเลยนะไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาใช้แรงอนะอกกำลังกายอยู่เป็นประจํา แต่ที่สำคัญคือว่าเขาก็ดูแลสุขภาพด้วยอย่างเช่นฟันเนี่ยนะฟันของคนอินเดียแดงเนี่ยดีกว่าฝรั่งมากเลยแข็งแรงเถาเวลาที่ฝรั่งที่มาสัมผัสรู้จักกับคนอินเดียนเนี่ยคนอินเดียแดงเนี่ยฟันนี่แย่มากฟันผุฟัน คอนแคลนฟันโยกพี่เป็นชนิยเพราะว่าคนในแดนนี่เขารู้จักนะรักษาฟันนะเขาเอาฐานเนี่ยมาขัดฟันเป็นประจำบางทีก็เคี้ยวพวกสมุนไพรซึ่งมันเป็นตัวช่วยฆ่าเชือ้อแล้วก็รู้จักเอากิ่งไม้มาทำเป็นแปรงสีฟันแต่ที่ฝรั่งนี่ไม่รู้จักเรื่องพวกนี้เลย มินามซํายังกินน้ำตาลเยอะด้วยเพราะว่าเวลาชงชานี่ก็จะชอบใส่น้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะมันเป็นของดีก็จริงนะแต่ว่ามันก็ทำให้ฟันผุได้อินเดียนี่เขากินน้ำตาลน้อยมากเพราะว่าสมัยนั้นไม่ไม่มีนะมีแต่ของหวานแต่ก็ของหวานตามธรรมชาติแต่มันก็ไม่มากเพราะนั้นฟันเขาขาวสะอาด แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะเนื้อตัวก็สะอาดสะอ้านกว่าด้วยฝรั่งตอนนั้นเนี่ยนะแม้ว่าเสือพพอ้อผ้าอภรรตจะรัดกลุ่มนะแต่ว่าไม่ชอบอาบน้ำํำไม่ชอบอาบน้ําเลยทั้งปีทั้งชาตินี่บางทีอาบน้ําแค่ครั้งสองครั้งนะขณะที่คนยิงแดดนี่เขาอาบน้ําเป็นประจํา เขาก็เห็นว่าเนี่ยการอาบน้ากับความสะอาดเนี่ยมันดีต่อสุขภาพพรังเนี่ยเมื่อสี่ร้อยปีก่อนเนี่ยเขาเขามองว่าการอาบน้านี่เป็นผลเสียต่อสุขภาพเพราะว่าพออาบน้าเนี่ยมันทำให้ฝุ่นที่มันปิดคุมขนเนี่ยมันหลุดแล้วถ้าลูคุมขนมันเปิดนะ เขาก็คิดว่าเนี่ยหรือเชื่อว่าเชื้อโรคเนี่ยหรือโครคแพ้แผลเจ็บมันก็จะเข้ามามันจะเข้ามาทำ้ายร่างกายผ่านรูคุมขนพอท่านเนี่ยก็ต้องหาทางนะปิดรูคุมขนเอาไว้ด้วยนี้จึงไม่ชอบการอาบน้ำแล้วพอไม่อาบน้ำนี่มันก็ร่างกายก็สกปรกนะแล้วก็ส่งกลิ่น ไอ้ที่เขามีการบันทึกกันเนี่ยเวลาฝรั่งมาเจอคนอินเดีแดงเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งเหมน็นสาบคนอินเนียแดงนะคนอินเนแดงต่างหากที่เหมน็นสาบฝรั่งเนี่ยเพราะว่ากลิ่นเหมนมากกลิ่นเงือกลิ่นคราบใครแล้วก็อาจจะกลิ่นเกี่ยวกับที่เกิดจากสัตว์นะม้ามออะไรเนี่ย เวลาวูนิงแดงเนี่ยเจอฝรั่งเนี่ยจะเบือนหน้าหนีเลยเพราะส่งกลิ่นมากแล้วก็แนะนำให้คนฝรั่งเนี่ยไปอาบน้ำแต่ฝรั่งก็ไม่ชอบอาบน้ำนะเพราะอย่างที่บอกนะว่าการอาบน้ำเนี่ยมันเขาเชื่อว่ามันเป็นผลเสียต่อสุขภาพและมันไม่ใช่เฉพาะฝรัง่งในอเมริกา นะที่มาเจอคุยดแดงฝรั่งนะในยุโรปเนี่ยแม้กระทั่งพระราชานี่พวกนี้ก็ไม่นิยมอาบน้าอย่างพระเจ้าหลุยที่สิบามเนี่ยนะของฝรั่งเศสฝรัร่งเศสนี่เป็นประเทศมหาอำนาจในเวลานั้นนะสี่ร้อยปีที่แล้วว่ากันว่าพระเจ้าหลุยที่สิบสามนี่ไม่เคยอาบน้ำเลยจกนกระทั่งอายุเจ็ดขวบนะ ยิ่งกันนั้นนะพระเจ้าหลุยส์ที่สิบี่นะซึ่งมีอำนาจมากเลยนะยิ่งใหญ่มากเคยส่งทูตมาเมืองไทยนะสมัยพร ะ, พระนารายเ์เขาว่าเนี่ยพระองค์ี่ไม่เคยอาบน้ำเลยนะที่จริงก็อาบนะแต่ว่าทั้งชีวิตอาบแค่สามครั้งอาบแค่สามครั้งนะมันก็สกปรกนะแต่ฝรั่งเวลา那เนี่ยเขาไม่ลังเกียจความสกปรกนะที่เขารังเกียจคือการอาบน้าชำระร่างกาย เพราะว่านอกจากไม่ดีต่อสุขภาพแล้วนะเขายัง<ม> เ, เชื่อมันมันไม่ไม่เรียบร้อยด้วยไม่สุขภาพเรียบร้อยเพราะต้องเปือยกายวิธีที่เขาจะทาความสะอาดร่างกายก็เพียงแต่เอาผ้านี่มาเช็ดตัวเช็ดหน้าเช็ดมือเช็ดแขนเท่านั้นแหละแพะทที่อาบน้ำทั้งตัวเนี่ยหรือย่อนตัวลงไปในในในอ่างอาบน้ำนี่ สมัยก่อนที่เขาไปทำกันก็ราชินีอลิซาเบธเนี่ยของอังกฤษเนี่ยซึ่งยิ่งใหญ่มากนี่ว่ากันว่าเนี่ยอาบน้ำแค่เดือนละครั้งนะเพราะนั้นเนี่ยปลี่ยนตัวนี่ก็แรงแรงก็ทนเราเนะแต่ถ้าทนไม่ไหวก็ก็ใช้น้ำหอมแลที่ฝรั่งเนี่ยเขา คิดค้นน้ำหอมขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อรังงบก้ำปลิ่นตัวที่เกิดจากการไม่อาบน้ำนะจกนกระทั่งเมื่อสองร้ปีที่แล้วนะฝรั่งเริ่มมีความรู้ว่าไอความสกปรกเนี่ยไม่ว่าตามเนื้อตัวหรือว่าตามบ้านเรือนเนี่ยมันเป็นตัวเพาะเชื้อเพาะแบคทีเรียซึ่งทำให้เกิดโรค โรคอะฮิวาโรคคอติกไอพ่ปนปอดบวมพวกนี้นี่เกิดจากความสกรปรกนะอันนี้เป็นเพราะหลุยปัสเตอร์นี่คนพบนะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันให้โรคแพ้ก็เจ็บเกิดจากเชื้อโรคและเชื้อโรคเนี่ยมันเกิดจากความสกรปรกตั้งแต่นั้นมาฝรั่งก็เริ่มนะเริ่มรักความสะอาดแล้วก็เห็นคุณค่าของการอาบน้ํา ชำระร่างกายดูแลบ้านเรือนให้สะอาดแต่ต่อหลังผ่านไปนะก็กลายเป็นอนามัยจัดนะไม่ย่อยมีเชื้อโรคเลยตามภาชนะหรือตามบ้านเรือนก็พยายามฆ่าเชือ้อมีน้ำยาฆ่าเชือนะ้อที่ใช้กันเป็นลํำเป็นสันเนื้อตัวนี้ก็มีการฆ่าเชือ้อด้วยน้ำยา เวลาเลี้ยงลูกนะ่ะก็เลี้ยงลูกให้มีอนามัยจัดไม่ให้เล่นดินไม่ให้คลุกฝุ่นผลก็คือเด็กเนี่ยขาดภูมิคุ้มกันเชื้อโรคนะเป็นโรคโน้ตแพ้โรคโน้นโรคนี้เยอะลมทั้งโลกขาดโรคหอบซึ่งก็เชื่อว่าเกิดจากการที่ร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีโรคมือเท้าปากอันนี้เรียกว่าพอสะอาดเกินไป อันามจัดตอนหลังฝรั่งเขาก็เริ่มหันมาแนะนำให้พาเด็กๆ เ, เนี่ยไปสัมผัสกับชื้โรคบ้างไปเล่นดินเล่นทรายบ้างหรือว่าเดินเท้าปล่าบ้างมีการรณรงลงว่านเนี่ยฝุ่นนั้นดีนะฝุ่นมีไต่สิ่งชั่วร้ายฝุ่นนั้นดีก็เริ่มนะกลับมาที่จะสะกระปรกบ้างนะจากเดิมที่ รักสะอาดอนามัยจัดนี่เป็นธรรมดาของโลกนะมันจะเวียงไปเวียงมาแต่ก่อนนี่ก็ชอบสกรปรกตอนหลังก็เวียงไปเป็นประเภทว่ารักความสะอาดแล้วก็รักความสะอาดจกนกระทั่งสุดตรงไม่อยอมให้มีเชื้อโลงมาแตะต้องเลยแล้วตอนนี้ก็เริ่มเวียงกลับมาเห็นประโยชน์ของฝุ่นเห็นประโยชน์ของอ การที่รู้จักมอมแมมบ้างอันนี้มันก็เป็นธรรมดาลโลกนะที่มันเวียงไปเวียงมาเราจะเห็นนะปรากฏการของโลกก็เป็นอย่างนี้แหละระหว่างความสะอาดความสกรปรกและระหว่างเรื่องของวัตถุ ก, กับเรื่องจิตใจประเทศที่เขาเจริญทางวัตถุ น, นี่แล้วก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเรื่องจิตใจเนี่ยตอนหลังก็เริ่มมาสนใจเรื่องของจิตใจมากขึ้น ฝรั่งเนี่ยก็หันมาสนใจเรื่องสมาธิภาวนาเรื่องของจิตวิญญาณส่วนคนไทยซึ่งเคยสนใจเรื่องศาสนาเรื่องของจิตใจก็เบี่ยงมาด้านวัตถุและพอเบี่ยงไปท่านวัตถุมากๆเข้าตอนนี้ก็เริ่มเวี่ยงกลับมาเริ่มขยับมาทางด้านจิตใจคนมีการศึกษาคนที่ทำหมากินก็เริ่มหันมาสนใจเรื่องสมาธิภาวนามากขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะโลกเรา ถ้าเราไม่ระมัดระวังก็จะเวียงไปเวียงมาซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายสิ่งสมคัญคือเราต้องรู้จักความพอดีถ้าเราไม่รู้จักความพอดีขาดสติขาดปัญญามก็เวียงไปทางสุดโต่งสองทางขวาบ้างแล้วก็ซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาเดินก็สนใจเรื่องจิตใจต่อหลังก็หันมาสนใจเรื่องวัตถุแล้วก็วัตถุก็ลุม่มหลงคลุ้มคลั่งกับวัตถุเต็มที่เสร็จแล้วก็ค่อยหันกลับมาสนใจเรื่องจิตใจ แต่ก็ต้องระวังอย่าไปสนใจเรื่องจิตใจมากจกนกระทั่งมองข้ามความสําคัญของวัตถุเพราะมันก็จําเป็นเหมือนกันนะพอแม่ทัพพุทธเจ้า ก, ก็ตรัสว่าในปัจจัย4ี่ก็สําคัญนะต่อการดํารงชีวิตและการปฏิบัติธรรมก็ลองสังเกตดูนะว่าชีวิตเราเนี่ยมันเบี่ยงไปเบี่ยงมาหรือสุดตรงทางใดทางหนึ่งไห